แต่ทีนี้ว่าดีว่าพระเจ้ า, าชาตศัตรูเนี่ยไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กล่าวถึงวิธีเีาเรียกว่าก็เหมือนกับสับรางรถไฟใชมันจะได้ยังไม่ต้องชนกันเหมือนกันเถอะงั้นข้อความในพระสูตรจึงกล่าวว่ า, าหลังจากที่เขานะพระพระเจ้ า, าชาตศัตรูนั้นสั่งวัสการพรามณ์เสร็จแล้ววสปาระพรามณ์มหาอมตะของแคว้นมคธกราบทูลพระดารัส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 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธโอรสของพระนางเวเทหิถวายบังคมพระยุคลบัตของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความไร้พระโรคาพาดความคล่องพระองค์พระกำลังการทรงพระสําราญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธโอรสของพระนางเวเทหิ มีพระราชประสงค์จะเสด็จเข้าไปปราบปรามแคว้นวัดชีเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้อีกว่าเพราะพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากคือสามัคคีกันดีมีอนุภาพมากก็คือชํานาญในการรบเป็นต้นเราจะถอนทําลายแคว้นวัดชีจะทาแคว้นวัดชีให้พินาศจกทําแคว้นวัดชีให้ถึงความย่อยยับนะก็คือกราบทูลเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังทั้งหมด พระพุทธเจ้านี้ไม่คุยกับพราหมณ์เลยหันไปสนทนากับพระนนทหันไปปรึกษากับพระนนท์นะนะคุยกับพระนนท์ให้วัสการพราม์ฟังซึ่งสมัยนั้นแลท่านพระนนทก็ยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิดแสดงก็นั่งยืนพัดข้างหลังอันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระนนท์ว่าดูก่อนอนน์เธอได้ยินว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังประชมกันเนืองเนืองยังประชมกันมากอยู่หรือ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 ประชาชนเลยก็แทบว่าทุกคนก็อยู่สบายสบายไม่ทราบสารทุกข์สุขเดบของประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้อย่างเนี้ยพวกโจรก็ได้ช่องละโจรก็รู้ว่าพวกเจ้าเหล่านี้นี่ประมาทก็เลยปล้นบ้านปล้นนิคมทําชนบทให้พินาฏอันนี้เสื่อมแน่นอนเพราะเพราะอะไรเพราะไม่มีการประชุมเพื่อรับฟังข่าวคราวเนี่ยนะสำหรับผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องมีการประชุมรับฟังข่าวคราวปัญหาสุขทุกข์ของ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 เมื่อกลองเรียกประชุมลั่นขึ้นเขาก็เากลองประชุมเหมือนกันค่ะกลองเพลงนะนะพวกเจ้าฤทธิ์ชวีก็จะทําการบายเบีย่ยงว่าวันนี้เรามีกิจวันนี้เรามีงานวันนี้เรามีมงคลอเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่พร้อมเพียงกันประชมุมเอ้ใครอยากไปก็ไปเถอะวันนี้ผมไม่ว่างอ่ะนะไอพวกอ้างว่าไม่ว่างทั้งหลายมีธุระทั้งหลายนี่เรียกว่าไม่พร้อมเพียงกันประชมุมหรือแต่พอได้ยินเสียงกลอง อาจจะกําลังทานอาหารอยู่ก็ดีแต่งตัวอยู่ก็ดีนุ่งผ้าก็ดีหรือทานอาหารได้ครึ่งเดียวก็ดีแต่งตัวได้ครึ่งเดียวก็ดีกําลังนุ่งผ้าก็ดีพร้อมที่จะเข้าประชุมได้ตลอดเวลาหรือปัอ๊บปั๊เข้าประชุมได้ทันทีอันนั้นอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงกันประชมุมไม่ใช่ว่าโอ้ยอ้อยอิงอยู่นั่นแล้วนะส่วนผู้ที่เข้าประชุมก็จะคิดปรึกษากาันทํากิจที่ควรทําและก็ไม่เลิกพร้อมกันเรียกว่าพร้อม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 ดูก่อนอานอน์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติเอาไว้ไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วยังสมาทานวัดชีธรรมแบบโบราณตามที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติกันแล้วอยู่หรืออเมกมาเขาประพฤติตามตัวบทกฎหมายหมดเลยใช่ไหมท้านอานน์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พูดข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินว่า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 หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าเมื่อพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายถอนข้อที่บัญญัติเอาไว้แล้วเช่นปกติแล้วบ้านเมืองเคยมีภาษีอากรใชนี่เพิกภาษีเลิกประภาษีซะไม่ต้องเก็บสวยอากรแล้วมันก็นไม่ต้องมีภาษีอากรเพราะฉะนั้นอันนี้เรือนคลังจะเป็นยังไงเรือนคลังทั้งหลายก็เสื่อมเสียกองทัพก็ไม่มีเงินเดือนแล้วนทัพช้างทัพมา้าไพร่พลก็ไม่มี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 เพิกถอนข้อที่บัญญัติแล้วฟรีภาษีบ่างันนนะนะบ้านเมืองก็แทบไม่มีข้าราชาการก็หมดกําลังใจจะ ท, ทางานเพราะไม่มีเงินเดือนสักอย่างเ <_ d ata> มื่อไม่ยึดถือวัชถีธรรมโบราณประพฤติหมายว่ามไม่ยึดถือวัชถีธรรมหมายว่าไม่ประพฤติตามตัวบทกฎหมายในการไต่สวนวินิจฉัยผู้คนในแว่นแคว้นก็จะพากันโกรธว่าพวกเจ้าทําบุตรพี่น้องของเราผู้ไม่เป็นโจรว่าเป็นโจรและขช่นอะไรนะ